โรคภายนอกมีรูปเป็นต้นโรคภายในมีตาหสูสมูกเล่นกายใหญ่โรคภายนอกมีรูปเพียงกินรสปวดทวัตธรรมารมโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรค ก, กลายเป็นเมืองขึ้นของโรคใจโรครูปโรคภายนอก โรคลูกโรคเสียงโรคกิ่นโรครถโรคโภชพะโรคธมารมเป็นเมืองขึ้นของโรคภายในโรคทั้งร้ายเหล่านี้สั์ทั้งร้ายท่องเที่ยวอยู่มีพยากิตร่าด้วยพท่องเที่ยวอยู่ไม่จบไม่สิ้นว่าถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นศาตร์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตน สิ่งที่สมประสง์ก็ติดอยู่สิ่งที่ไม่สมปรสงก็มาเป็นที่สบายใจสิ่งที่เฉยๆก็วางเฉยโรค อ, ด, อดีตคืออะไรบ้างคือตาหงจมูกเลียงกายใจที่ร่วไปแล้วโรคอน า, าคตก็คือตาหงจมูกเลีงกายใจที่ยังไม่มาถึง โรคประจำวันก็คือตาบ้ามองเล่นกายใจที่กําลังเป็นอยู่ใครเป็นผู้ทัศนาจรก็โรคกาเป็นผู้ไปเที่ยวทัศนาจรทัศนาจรในโรคตาบ้างโรคหูบ้างโรคจมูกบ้างโรคเล่นบ้างโรค ก, กายบ้างโรค ก, กายบ้าง ประวั ก, กายเป็นอดีตเป็นอนาคตสิ่งที่ชอบก็เป็นสิ่งที่พอใจสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นสิ่งที่มุดหยิดสิ่งที่เฉยเฉยก็เป็นสิ่งที่วางเฉยแต่ไม่ได้นานแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขเวทนา ความเสวยทุกท <je S 3> ุกภเวทนาความเสวยทุกอุเบกขาความเสววามางเฉยจิจัยก็ไปเที่ยวเฉวยอยู่ใจไม่กีรากั้งอยู่เดี๋ยวก็โลกเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่เสมอที่เรียกว่าอานิจตาทุกตาอนัตตาตานั่นเอง ท่านทั้งหายต้องเที่ยวอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเราพอดีท่านพอดีผู้ืนพอดีครับที่มีสีเท่าสองเท่าพอดีที่มีกองนำลูกเที่ยวอยู่ตามกองนำลูกอันนี้นามังแปลวชื่อมันลูปังเปว่ารูต้องเที่ยวอยู่ไม่อิม่มไม่เบือ่อไม่หนายถ้าถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเที่ยวและเป็นตัวเป็นตนด้วย เ, เราเป็นเขาด้วยนป็นชาตเป็นบุคคลด้วยและมีความหวังว่าจะอยู่ในอำนาจของตนด้วยแต่ความหวังทั้งหมดก็ได้กลายเป็นงมฆาไปหวังในตาก็ไม่ได้อะไรหวังในหูหวังในกลิ่นหวังในจนในมูกหวังในลิ้นหวังในกายหวังในรัตธรรมารมณ์ ถ้าใครขวังลมพัดคอยมันก็ผ่านไปพัดแรงมันก็ผ่านไปไม่มีใครจะขอดไว้ได้คำพูดก็เหมือนกันคำนึกก็เหมือนกันคำคิดก็เหมือนกันนึกขึ้นมาแล้วก็คิดพูดไปแล้วแต่เช้าวันนี้พูดมาแล้วก็ไม่ได้เอาไปซื้อประทายที่ไหนนึกคิดก็ น, นึกมาแล้วก็ไม่ได้เอาไปซื้อประทายที่ไหน นึกแล้วเขล่วงไปคิดแล้วเขาล่วงไปพูดแล้วเขาล่วงไปเรียกวอาจีสังขารเรียกว่าจิตตาสังขารทุกสิ่งทุกอย่างล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปหมดล่วงไปแล้วมากลับมาคืนมาเป็นอดีตอนาคตล่วงไปแล้วเขาล่วไปและค่ากับอายุของเราที่ล่วงไปไม่ได้กลับคืนมาอีก เราได้อายุเทนนี้เท่นั้นวันเท่านี้วันวันทั้งหลายมันจะลวงไปเออวันทั้งหลายมันด้กลับคืนมาที่เราสมมุติว่าวันที่วันจันทร์อังคารพุธพุธอาทิตย์เสาร์แล้วเขาสมมุติเฉยแต่มันวันลวกไปทางนั้นสมมุติของเราวนคืนมาตามสมมติสมมุติวนคืนมาเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพุธอาทิตย์ุขเสาร์วนคืนมาเรามวันตามสมมุติของเราที่ใช่กัน ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมายกันสมมุติมีเท่าใดเรื่องมุดก็ต้องมีเท่านั้นสมมุติแปลว่ามุดใช่กันทําไมจึะสมมติมากแค่เพราะมันทำไมพลอยช่มันไม่พลอยช่ายเลยสมมติขึ้นสมมติเป็นฝ่ายเขียนเรื่องมุดเป็นฝ่ายลบรัหลัยมาหวังในโลก พันชุดท้ายกไม่ได้อะไรแบรมือไปเลยรังสมบัติพสถานอะไรอะไรในโลกไม่ได้ทั้งนั้นกลงเวลาเชื่อมลำตานแล้วก็แบ้มือไปเลยหลัวหน้าไปดินไปเป็นดินหน้าไปเป็นหน้าไ ป, ไปเป็นอะไรไปลมไปเลมแต่เมื่อเวลามมีชีวิตอยู่ก็ต้องหามาเลี้ยงท้องเลี้ยงปาก หาบันเทาทุกสิ่งที่บรรเทาทุกข์ก็มีกีวามิาานธาบัตเชนาสมานเะเปปับกีวานบรรเทาทุกข์ในทางหนาวร้อนและความละอายในสกคนละกายหน้าละอายเพราะเป็นของศักรกสัวมมเพรานุ่งผ้าหผ่มผ้าไว้ปกปิดอวัยวะไว้ตลอดทังเหลือบยุงร้น มีน้ำชาไม่พออีกอาศัยเบญทบาทอาศัยอาหารพอได้ยียงท่องไปเป็นวันวันเป็นเวลาอีกด้วยพวกพระเป็นวันวันตื่นขึ้นมาก็หิวพวกโยมเป็นเวลาพอเที่ยงก็หิวอีกแล้วพอขําเกาะเพิ่มเข้าไปอีกส่วนพระเป็นพระฝ่ายกรรมฐาน ก็บันเทาคู่เดียวเท่านั้นก็วันเทาวันเดียวเท่านั้น24ชั่วโมงเพียงฉันข้างหนึ่งพอวันเทาไปส่วนน้าําก็ไฟธานมันเผากายมันก็ทําให้หิวให้ร้อนทีนี้ก็เพิ่มน้ําเข้าทําไห้เพิ่มน้ามันก็ทายไม่ออกอีกเหมือนกันมันแข็งอาหารที่ถูกคั่วโดยธาตุไฟ คนตัวก้อนแข็งมันมีน้ําละลายมันก็ถ่ายมันออกอีกเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาทุกข์ไม่ใช่ธรรมดาสุขอาหารปริเยติทุกข์ทุกในการหากินจะเป็นทุกกองหนึ่งไม่วาทรรมุน ล, ละทุกข์ทุกเพราะมิวาตตัวเสียงเกียงงอนกันเป็นว่าจะไม่ชนะต่างคนก็ต่าง หาเหลี่ยมจะชนะกันก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันผู้แพ้เขาย่อย อ, อยู่เป็นทุกข์ผู้ชนะเขายอ่อขอบเวีอีกเหมือนกันมึงเถอะเอากันอยู่อย่างนั้นแหละมีเช่นนั้นทางพวกเทศาสนาจึงมีทานวัตรศีรวัตรภาวนาวัตเพื่อจะวัดเหวี่ยงความหลงทั้งหลายให้ออกนี้จากคันธทท์ฐาลาน อาหารของใจคือธรรมะผู้ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักหัวใจอยู่จิตใจก็นึกไปในทางกุศลเป็นส่วนมากเป็นอาหารที่ดีเป็นอาหารที่ไม่เป็นก้าไม่ค่อยจะขว้างคอผู้ที่ไม่เคารพรักพระพุทธศาสนาที่ไม่อินทอินิคือพระพุทธศาสนาอาหารจิตอาหารใจก็มักไปในทาง การเ ม, มา้าเวยตกพยาบาทวิตกมือหินไซตกเบียดเบียนเป็นส่วนมากอาหารของก่เป็นของสำคัญมากกว่าอาหารของร่างกายมันกินอยู่ไม่มีการวางกลางคืนไม่รู้สักอิ่มเลยกินร้ายมหายยากก็คือความนึกคิดนอนมากไม่รู้ตื่นก็คือผู้ช่างเที่ยวในวัดาทังศาลนอนใจอยู่ไม่รู้ตื่น รักผู้อื่นยี่งกว่ารักตัวรักกิเลสรักโลกรักหลานรักกิเลสรักความหลงของตนไว้ของควรปูอะกับกล้าคือโลกโกรธของคนรปัวกับท่องเที่ยวในวัดตะสงสารเของคนรปัวแต่ว่ากลับกล้าใส่เองของสั้นถือว่าเป็นของยาว คืออายุมันมีสั้นแต่เราถือเป็นของอยาวซะสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะซ้ำเนียกชาวพุทธมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ดวงใจตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ดวงใจผู้ใดน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจก็เรีว่าชาวพุทธอยู่ที่นั่น นอกจากพกระพุทธศาสนาไม่มีอนใดจะมาสัง ม, มาสอนให้กิเรตเบาบางลงได้ศาสนาอื่นมีแต่เพิ่มทางนั้นเพิ่มทางวัตถุนยิยมยิ่งเพิ่มก็ยิง่งกิเรตก็ยิ่งมากขึ้นความทายาทยาในวัฏสงสารก็ยิ่งมากขึ้น ยิ่งสมมุติมากก็ยิ่งเพิ่มมากทำไมยิ่งสมส ม, มุติมากเพราะมันไม่ไม่พอใช้พอสอยคำว่าส ง, งบส ง, งบส ง, งบในสมาธิส ง, งบในปัญญา สงบในปัญญาคือสงบยังไงเชเห็นว่าการฆ่าสัตรักษาบระพฤตเป็นนายกามเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นโทษแล้วงดเว่นเสียเรียกว่าสงบในด้านปัญญาเลยไม่ขบุดคืนอีกสงบในด้านปัญญาส่วนคือสงบในย้านด้านศีนยังขบดขึ้นอีกด้วยรักษาได้เป็นชัวข้างตั่วคราวสงบด้สมาธิก็ขบุดคืนอีกเหมือนกัน สงบลงไปไม่มีการไม่ไมีตกเพราะยาบาบีตกมมื่อเช้าวิตกภาวนาลงไปบริกรรมลงไปแต่พอถอนออกมาแล้วก็ขบดขึ้นอีกเหมือนกันเพราะมันยังไม่ขาดเพราะมันยังเห็นโทษไม่พอเรามาในวัฏสงสารไม่ได้หวังว่าเพื่อจะมาหาจินหาขี้โดยถ่ายเดียว มาแข่งประชันคันแข่งกันในเรื่องวัตถุนิยมหน้าเดียวประชันคันแข่งกับกินเลสของตนด้วยมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นช่วยจะปฏิบัติให้เหือดแค้และบาบาและหายไปเราจะสำคัญว่าเราจะสลาดซักเพียงไรก็ตามแต่ด้านกินเลสของเราไม่ลดละลงแล้วก็ง่งจะตายแล้ว ด้านโลภด้านโกรดด้านหลงของเราไม่งดไม่ลดละลงแต่สําคัญว่าเราฉลาดเจ้าเพียงไหนก็ตามนั่นจะทําให้เรานอนใจจะบวกโง่คูณโง่บวกโง่คูนโง่ก็บวกทุกคูณทุกก็บวกไฟคูณไฟก็มีความหมายเดียวกันก็บวกกิเลสคูนกิเลสก็มีความหมายเดียวกัน เรื่องงูเห่าไว้กับตัวเขามีความหมายอันเดียวกันเรื่องงูพิษระกับตัวเรื่องอะไรดวงใจเรื่องอะไรตัวโง่มีพระพุทธศาสนาแฝงอยู่ในโลกจิงมองดูหน้าดูตากันได้ว่าด้วยความชังเวทด้วยความปราชิกเวรภัยบ้างถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ ไม่ต่างกับตันัตตัวได้ฟันยาวแล้วมีกำลังก็กระโดดข้าค อ, อกันเองเๆเอเองเลยเหตุ น, นั้นพระพุทธศาสนาะจึงมีคุณค่าอยู่ในโลกท้งปรัวไม่มีทั้งกลางวันกลางคืนทำให้ต่าก็ไม่ต่ำจะทำให้สูงกันไปกว่านั้นก็สูงไม่ได้เพราะเต็มค้าแล้วมันมีที่จะทำ คนของวัตถุศาสตร์มีมากมายหาประมาณไม่ได้ผู้มีป nice. like. ัญญาน้อยก็เ uhm. ห็นน้อยผู้มีปัญญามากก็เห็นมากผู้มีกําลังน้อยก็แบกของได้น้อยผู้มีกําลังมากก็แบกของได้มากผู้มีสายตาสั้นก็มองได้ใกล้ผู้มีสายตายาวก็มองได้ไกลผู้มีเชือกสั้นก็ถึงได้ใกล้ ก็มีเชือกยาเข้าถึงได้ไกลยินดีนะพระพุทธศาสนาก็ยินดีอยู่ที่หัวใจเมื่อยินดีอยู่ในที่หัวใจพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่ใจธรรมาศาสนาก็อยู่ที่ใจสังฆศาสนาก็อยู่ที่ใจศีลของาศาสนาก็อยู่ที่ใจ สมาธิความตั้งมั่นของศาสนปก็อยู่ที่ใจปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็อยู่ที่ใจวิมุตติความรุดพ้นจากความหลงก็อยู่ที่ดวงใจววลาคะความสิ้นกำนังก็อยู่ที่ดวงใจความกำหักก็อยู่ที่ดวงใจความจะสิ้นกำนัดก็อยู่ในที่ดวงใจโทสะโมหะก็อยู่ที่ดวงใจ ที่จะเห็นโทษในโทษะโมหะก็อยู่ที่ดวงใจไฟไหม้มืองใจก็เอาน้าใชมืองใจดับจะเอาน้ามือหูเมืองตาเมืองจมูกมือเล่นมาดับมันก็ไม่ทันราคะเกิดขึ้นเพราะความนึกคิด การมาวิตกไม่ตกในทางกามส่งเสริมวิตกในทางกามราคะก็เกิดทวีขึ้นเป็นไฟทวีขึ้นมุบา ท, ที่จะระงับราคะก็พี่เจรานาอสุพะเท่านั้นให้เห็นเปื่อยเน่าในตะโกนร่างกายเต็มไปด้วยของมาสะอาดรกกระโปโซมมมากไหลออก ยู บ, บ่อยๆในถาวรทั้งเก้าทางอุจละก็ไหลออกทางอุจละปัสสาวะหุผมๆมหุมม่มน้ำลายน้ำมูกที่มันไหลออกก็ขังอยู่ในที่สกลกระกายมีทั้งห้งอยู่ในรอบเต็มไปด้วยของมัศาบูดราด้วยมีลักษณะกลิ่นเหม็นขาวด้วยนี่สำหรับรงบับราคะ โอสถังโอตมาวั ง, วงเป็นยาละงับปลาคะความกำนับสวยกำนัดงามพวกเทหนักในการข่มขืนพวกเทหนักในประเวณีเป็นผู้หญิงรักพ่อรักแม่เป็นผู้ชายก็จะเสียเงินเลื่อไปขี้ไปป้นข่มขืนเขา ว่าพาะกามวิทตกความติในทางกามกามวิทต ก, กังวินโนเทติพยันตีกรโรติอนภาวังคเมนติท่านทั้งหลายจงทาให้พีนา้าเสียหนึ่ด้วยปัญญาอันชัดถ้าเห็นเร็จเป็นโทษรว้วนรนเออไม่มีคุณมาเชียร์ปนพระบรมศาสดาษ เหอุฉะนั้นตาจะะคำมาฐานผู้บวชมาแล้วจึงสอนแกซาคือผมโลมาคือขนผมเมื่ออยู่ทางบนศีรษะในกลางผมใหญ่โตบ้าง ยอดของผมเรียวๆเหมือนคันช่างช่างของโบราณฝังลงไปประมาณหน mm. ึ่งมิลิเมตรถอนออกมาแล้วหรือหล่นใส่อาหารเราก็ฉั้นไม่ได้ถือว่าเป็นของโลกกก มีอยู่ท่าทั่วสันพางกายเล่นไห้แต่เล็บปันฝ่ามือฝ่าเท้าเสียมีลักษณะอยู่เหมือนหญ้าที่รักแรกและที่ทาวรหนัก ถ้าอันเบาทำไมมันถึงอก ง, งามแท้เพราะที่นั้นมันมีของกสกปรกโสมมไหลออกเป็นต้นว่าอุจจาระปัชาวะเป็นต้นนึเ่เงือใครมันเป็นต้นแล้วใครก็ปลอยหญ้าที่มันอยู่ที่มีปุ๋ยขี่โคขี่กระเบือ มันก็งอกงามเล็บมันก็อยู่ที่ปลายมือปลายเท้ามีสีสันวัฒนะคน่าย็บเก็ปปลาชุ่งอยู่ด้วยน้ำเลือดถ้าหลดนลงในอาหารก็รับไม่ได้อีกเหมือนกันฟันไ <Fun. S 1> ม่อยู่ทั้งข้างล่างข้างบน มีสิบสี่ี่เป็น2ยี่สิบแปดถ้าผู้ยังไม่หล่นถ้าคดแก่แล้วก็ออกเป็นประมาณไม่ได้เพราะมันหล่นหมดส่วนพระบะรมาศ า, าสดามีสี่สิบทัพมีสี่สิบเล่มฝังอยู่ที่เนื้อจะล่างดีสักเพียงไหนก็าตามก็มีกิน่นบูตราและเหม็นเหมือนกัน หนังหุ้มอยู่ทั่วท่างกายไม่ไว้แต่ผมผลนั่นก็ผมนั่นก็ผลนั่นก็เล็บคำว่ า, านั่นจิตก็ติดอยู่กับที่นั่นด้วยไม่ได้พูดนั่นเฉย นั่นก็ขมก็จิตก็จับอยู่ท <en> ี <philosophers> right. ่ผมนั่นก็ขนจิตก็จับอยู่ที่ขนนั่นก็ฟันจิตก็จับอยู่ที่ฟันนั่นก็หนังจิตก็จับอยู่ที่หนังนั่นก็เนื้อจิตก็จับอยู่ที่เนื้อพอกกระดูกไหมือนนังดินพาทาฝานั่นก็เอ็นผูกมัดรัดลึงกระดูกไว้เป็นท่อน มีประมาณสามรอท่อนนั่นก็กระดูมีสีขาวเหมือนดังสังมีลักษณะเป็นอย่างนั้นและไม่กลินไม่สีอันเดียวกันเหมือนสาบเหมือนกันและไม่กลินอันเดียวกันเยื่อในกระดูเหมือนยอดฝาเหมือนยอดหวายที่ เขาอ่อนๆแล้วเอาไปยัดไว้ในกระบอกไว้นั่นก็ม้ามอยู่ข้างขวาอยู่ข้างซ้ายเหมือนมะม่วงสองผลนั้นก็หัวใจก็อยู่ที่นี้ที่ท่ามกลางอกไว้งแต่คุณหมอเขาพูดบอกว่าไม่ได้อยู่ท่ามกลางอกอยู่ทางท้ายนิดหน่อยเขาบอกนั่น เหมือนดอกบัวตูมถ้าเชิญ อ, ออกก็มีน้ำอยู่ซอมมือเวลาเราโกรธถึงน้าน้ำในเลี้ยงหัวใจก็ดำเวลาเรามีปัญญาน้ยเลี้ยงหัวใจก็ใสเวลาเรามีสมาธิเหมือนกันเวลาเรามีการให้ทานเหมือนกันรักษาสินเหมือนกันน้ำก็ใสบ้านเวลาเราแผ่เมตตาเหมือนกันเวลาเราโกรธ น้ามีนก็ดำเวลาเรามเมรุาคะน้าก็ดำาน้าม่องเข้ใจเนชหมเป็นเปนชิงซีดออกมาทางหน้าทางตาของเราเวลาเราโกรธตับเป็นเนื้อสองแผน่นอยู่ทางข้าง ข, างขวาเหมือนเลี่ยนโคดำภูมีปัญญา ตับเป็นสองแฉกสามแฉกบ้างเป็นเนื้อสองแผน่นปอดปกคุมม้ามหัวใจอยู่ไส้ใหญ่ปลายข้างหนึ่งอยู่คอห อ, อยปลายข้างหนึ่งอยู่ะวันหนักเท่าไปเท่ามายี่สิบเอดดไม่กินและสีแม่สาบกว่าเพื่อนข้างในรับไส้พ่อมาไดล่า เวลาเราถ่ายาพุชระพัชวะชัญญาถ่ายเถิดแล้วก็ชัญญาถ่ายถ่ายก็น้ำเทเข้าไปก็ถ่ายออกมาเฉยไม่มีใครเข้าไปถูในลาไส้ะจะมีเขินเป็นยังไงเราก็ต้องซําเนียกดูเมื่อเราซําเนียบป็ําเนียบมาในสกลร่างกายของเราการมัธยสต์ของเราที่ว่าสวยว่างามในระหว่างเพศผู้หญิงกับผู้ชายก็ดี่ก็เลยเบาไปหายไป ใช่น้อยที่นี่รับเหนี่ยวไสใหญ่ที่ทบไปทบมามียี่สิบเอ็ดกอาหารใหม่ที่เรากลืนลงไปอยู่ก็เพราะอาหารเหมือนอยางมาสามถ้ามันยังยังกำลังย่อยออกก็ฟูดออกมาด้วยไฟทาาเผาเหมือนอย่างมาสามออกมาคุ้มขนาะว่าน้ำเงือ ออกมาทางทวารนะเพราะว่าอุจจาระออกมาทางทวารเราเพราะว่าปัสสาวะออกมาทางตาเพราะว่าเคตาออกมาทางหูเพราะว่าเคหูออกมาทางจมูกเพราะว่าน้ํามูกแล้วมีปัญหาถามตนอีกว่าสิ่งไหนที่มันสวยมันงามในสกุลละายนี้ จึงมาเย็นดีในการให้นักหนามันมีปัญหาถามของตนเองเหมือนกันนั่นกับผมนั่นกับขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็กระดูกนั่นก็เยื่อในกระดูกนั่นนั่นก็ม้ามนั่นก็หัวใจนั่นก็ตับนั่นก็ปอดนั่นก็ไซใหญ่นั่นก็ไซน้อยนั่นก็อาหารใหม่นั่นก็อาหารเก่าแล้วก็กําหนดเราเป็นธาตุดินอย่างนี่แยกออกนี่ธาตุดินก็มากองมานี่นีธาตุน้านี่ น้ำดีฟังเื่อใต้ตับฟังเงื่อใต้ตับเนี่ยาเกือบเกือบจะถ้าหัวแม่มือเขานี่น้ำเจื้อเขียวเนี่ยฟังเื่อใต้ตับเนี่ยที่ไม่ได้ฟังเงื่อใต้ตับก็ไหลซึมซาบไปทั่วสร้างสกปลกกายน้ำเสลทั้งเป็นมางม่วงอยู่ที่คอหอยเนี่ยขึ้นอาหารองไปกขาแหวกน้ำเสลลงคื้นน้ำลงไปกขาแหวกน้ำเสดพอจมลงไปกบน้ำเสลดก็ปั๊บ มีกินเหม้นขามเหมือนกันน้ำเสลเนี่ยถ้ามันมีน้ำเสลพ่อเราก็พูดกันไม่ได้นพะพ่อกินทั้งไรก็ออกพุ่งหมดนไงออกพุ่งไปน้ำเสลนั่นเองปิดกินปัตตคูลในลําไส้ในลำช่องมาให้พุ้งออกมามน้าหนอง ออกตามศีรษะบาดแผลน้ำเลือดมีสองอย่างตั้งท่วมหม้อมับวปอดอยู่ไรซึมทราบลงไปในหม้อในะตับในปอดทีละน้อยมานำาลั่งจังจแล้วมสีสีสันวันลนะแล้วมีกิ่นมีสีอันเดียวกันมีกิ่นอันเดียวกันมีกิ่นเม็ดสบับเหมือนกันน้ำหนอง มีอย่ตามเีระบาดแผลเราเคยเห็นกันอยู่แล้วที่เราเอามาจีบดูมันก็จิบไม่ได้พลังเกียดของเราแท้ๆไม่ได้น้ำเลือดน้ำเงืออ น, น้ำมันงาไหลออกจากผมผ ม, ผม มันค้นอยู่ที่จะ ง, งอยบ่าและฝ่ามือและล้างมือล้างเท้าเป็นไข่นะมันค้นไม่กินและสีเม็ดสา์เหมือนกันที่ตั้งพมานี้เขาทาเนียเตียเกือมันอยู่ในท่อน้ำลายที่เกิือน้ำลายก็ อ, อยู่ใต้รี้นไหลออกมากับพวกแก้มทั้งสอง พวดออกมาฝ่ายมือแล้วก็กืนอู่ไม่ได้เนี่ยน้ามูกดไหลออกมาจากมันสมองระโกศีรษะไหลออกมาเนี่ยมาจากเพมาจากมามาทางสมองน้าล้ายข้ออยู่ตต้ข้อกระดูกน้ามูดเก็ อ, ออกจากอาหารใหม่ที่เพราะ ที่อยู่กับเพาะพัสสวะกว็เป็นธาตุน้ำไฟที่ยังกายให้อบอุน่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้โกนกลายไฟที่เผาอาหานหย่อยมีนก็ธาตุไฟเดีย๋ยวเอาไสักกองหนึ่งครับ ลมหกีิลมพัดขึ้นข้างบนลมหาวลมเลอลมอวกลมพัดลงข้างต่มถายลมถายอุจระหายปัสสวะเพราะเราตะเบงลงถ้ามันดันออกลมในท้องลอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัว ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจ า, ารณากใจให้เห็นเป็นเพียงธาตุสีคือดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยธาตุกรรมฐานนั่นก็กองดินนั่นก็กองน้ำนั่นก็กองไฟนั่นก็กองลมตะจะปริยัตโตมีนังมุ่งอยู่โดยรอบเดินไปเรือ่อยขมสารเนประการต่างๆ ปูโรนานาปการระกษ า, าอาโศจีโนเต็มไปด้วยของประสาทในประการต่างอธิมัตเสีกา ย, ยมีอยู่ในกายนี้แกษาคือผบทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายหน้าขาคือเล็บทั้งหลายด้า น, นตาคือฟันทั้งหลายตะโจะคือหนังมังสัติคือเนื้อหน้ารูคือเอ็นทั้งหลายอธิคือกระดูกทั้งหลายอธิมีชั้งนี้อยในกระดูก ว่ากลางม้ามัธยยางหัวใจยักษ์นังตับเจรลญวากลางฟางปื้ววิ่งกลางไตวพาฟ้าสางปอดอันจางไสใหญ่อันจะกุณางไสน้อยกรติสางอาหารใหม่อุตรียางอาหารใหม่กระิสางอาหารเก่าพิษตางน้ําดีเสพฟางน้ำสเล่ย์ว้งโพน้าเหลืองโให้กลางน้าเลือกเสพโทน้ำเหนือแมโทน้ามันพ้น อสูร น, นำตาว่าสานำนเหลวเคลโรนำรายพิขาติฆา น, านำมุกลาชสิกานำไพ่ข้อมุดตังนำมุกมัฏะเกมัฏรว ง, งังเยี่อในสมองเอวามายังเมียกาอยู่ใต้ข้องเรานี่อย่างนี้นะถ้าพิจนาอันนี้แล้วความกำหนัดการมั่วิตุกก็เบาลง ตัวแนมากไมมาครับผมแ่แน่หรือแค่แน่นะครับผมอืแค่แน่ละเนาะครับผมมันเป็นยังไงเป่มคลัสก็เราานแล้มันเปอแปะร่มทเอะไนะเออเพื่ อ, อ <c oughs> นเับก็เท้าลงมา ขึ้นไปว่างต่างแต่ปลายผมลอกม า, าการจะปริยามตัมีหนังหุมอยู่โดยรอบพคโรณานักประกาศรักษาโซเชีโนโเต็มไปื่องของไมส่สะาดเจ้าพการต่างๆอย่างนี้และถามหาคัตประบวชไม่เหมือนท่านองอื่นหนึ่งเราจะพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์สอง เราจะเป็นคนใหม่อยู่เสมอเข้าไปในพระภิกษุสามเณรทั้งผู้แก่และผู้น้อยเราจะเป็นคนเกรียมตัวอยู่อยู่เสมอจะไม่คุ้นชื่อจะทำตนเป็นคนใหม่เวลาเราฟังเทศเราจะเงี่ยหูลองฟังไ่ะเงี่ยวหรือหงียังไม่ทรับก็เป็นเงี่ยวมขาไมเพราะมันมีตรงหอนหน้ามีตัวหอนาหน้าไหม ไม่มีกอ ง, งเงีย้ยแล้วจะแย่หูลองฟังเออแล้วพิจรารณาให้เข้าใจความหมายถ้าเธอปฏิญาสามข้อนี้แล้วอย่างนั้นเธอก็บวชซะพอบรมสารีรบวชมาท่านก็อปฏิบัติพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์เมื่องวนแต่เพื่นเท่าขค้ืนมาเมื่อตามแต่ปลายผมลงไปอยู่พิจารณาเป็นอารมณ์ไม่ช่าม่งานก็สมเหตุผลาน ผู้ใดป ร, ประมาทพิจนาคารยกตาสติผู้นั้นประมาทพระ涅槃พระวันต์ศาสราพุทธว่าสักทางร้ายมังคาอยู่นี่ล้วมีราคาจัดเพราะมันสามารถทำลายผมหมาจาร์ได้อันนี้ในขณะนั้นถ้าจนจะสอนกรรมฐานอันนี้ก่อนเมื่อบวด เกษาโลมาลคา้าดันตาตะโจตะโจดันตาณข้าโลมาเกษาผมโลมาผลนข า, าเรบดันตาฟันท่านก็สอนพระอุปัชายะถ้าไม่สอนอันนี้ภิกสูผู้มันกำหนักมันไปร่วงแล้วเมิดเมธทุดรมอะไรอันหนึ่ง มันก็เป็นปราชิตเหตุนั้ น, ท, น, น, นท่านจึงสอนก่อนท่านไม้เอาจี๊ยจกตุกแก่ไหมนะครับเพระสัตว์ทั้งหลายเวลาขามากท่านบอยั้ นี่ก็เป็นกรรมฐานอันหนึ่งจะรวมรู้ไมรวมก็ตามถ้าผู้พิจารณา่างกายบ่อยๆร้องเรียกหาราคะาจดิตมันก็ไม่มีมันไม่มาละเพราะมันเห็นเป็นของปฏิกูลนอกจากนั่นแล้วท่านยังให้พิจารณาอสุภะอีกภายนอกบุกศพที่ตายในวันหนึ่งศพที่ตายในสองวันสามวัน สี่วันห้าวันมีพองพองขึ้นแล้วก็มีน้ำเหลืองถึงเจ็ดวันก็มีหนอนครานออกตามรูจมูกบ้างตามช่องหูบ้างตามท้าันหนักท้าันเบาบ้างเพื่อให้เป็นของหนักขียเ ผู้รักสวยรักงามต้องพิจารณาของนากเสียส่วนในถ้าคนร่างกายของเรามัน่าเกียรต์อันไหนก็จับอันนั้นเมื่อต้องพิจารณาหมดก็ได้เพ่งอยู่ถ้าเห็นอันนั้นส ก, ก, ร ป, กปรกสวมมมอันอื่นหากเห็นไปเองพระอานอนอายุแปดสิปี พรุ่งนี้เนอะอนุ์เอ๋ยจะทําสังขา ย, ยานายเธอยังเป็นพระสวัสาิันอยู่เธอยังไม่สำเร็จพระหรหัเนะอานุน์และการทําสังข า, า, ายนายในวันพวกนี้จะเว้นเธอไม่ได้เพราะเธอเป็นผู้จําทรงพระสูตรพระเวนไนยกับพระบรมาศาสีรัตได้รับมาเฉพาะพระพักองค์ท่าน มากกว่าเพื่อนองค์อื่นจำพระสูตรได้จนครบแปดหมืนสีพระธรรมขันธ์ท่านแต่ ว, ว่าท่านสำเร็จเพียงพระโสดราวันแล้วพรุ่งนี้จะทำสักการนายทีรอยเ้าเทาเก้าพระองค์ได้แล้ว ย, ยังเหลืออยู่อีกพระองค์หนึ่งคือจะเอาห้าร้อย เม่นช่องไให้ท่านท่านอย่าประมาณเ้อให้ท่านทำความเพียรในคืนนี้เนอะให้ท่านเร็จพระหลนสักพระอนณรก็ยับยั้งอยู่ในกายยัคตาจติที่นี่เดินโยกรมภาวนาพิจารณาล่างกายเป็นอารมณ์ต้นเกือบตลอดรุ่งเพราใหมสํำเร็จว่าผลจะผ่านมันฝากวรเลย เรอาอทำความเพี้ยนเกินไปเองกายลงสักหน่อยเถอะเพราะเอนกายลงหัวยังไม่ถึงหมอนสำเร็จพระรหัสน์เป็นปฏิสัมพิทาสีแต่ช้านี่ปฏิสัมพิทาสีอัฏฐะธรมธาปฏิสัมพิทาแต่ช้านี่อัฏแต่ช้านี่ทำแต่ช้นี่นินรุตแต่ช้านี่ปฏิพาณหวหานเรียกว่าปฏิสัมพิทาสี ทีน่นี่ท่านก็เลยเข้าร่วมครับสังคานครนาคที่หนึ่งทำอยู่สามเดือนก็เสร็จกันให้สังเกตดูเจ้าของถ้าว่าเจ้าของเป็นคนโกรธง่ายก็ให้เจริญเมตตาถ้าสังเกตว่าเจ้าของ เป็นคนชอบลืมสติเผลอเดอ้อยิบโน่นโดนโดนี่เปลืองปางปึงปังโปรงเปงชนสะดุดสุดต่อมักหลงๆลงลืมลืมฟังอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจได้ถนักแล้วก็มักนึกไปในต่างๆนานาจนไม่มีสถานีมักนึกมักคิดแล้วละพัดไม่ยุดไม่หย่อนไม่ผ่อนไม่ผัน ก็ต้องกาหนดลมให้ใจเขาออกเึื่องถูกกรรมฐานส่วนสมถานั่นทำให้สงบใจทีนี้ส่วนการพิจารณาร่างกายแยกธาตุสี่ออกเป็นดินเป็นน้มเป็นไฟเป็นลมสมมุติจนไฟเผาสมมุติสารพัด สมมติอีกาอีแรงมาคัดจินหรือนอนครานข้าอยู่ในสกนลร่ากายเขาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเัมือนกันแยกธาตุดินไฟลมออกบางท่านเขาพิจารณาร่างกระดูกอันเดียวพระองค์หนึ่งไปเพ็นธบาทกำลังพิจารณาร่างกระดูก สมมติว่าเดินมีแต่ร่างกระดูกโกงเกงโกงเกงไปไ่วินถอดสมมติร่างสะดูกเดินไปไปไปพบคนหนึ่งมาถามพระพู้เปนเจ้าเห็นหญิงเดินไปนี่ไหมอัตมาภาพไม่เห็นอัตมาเห็นแต่ร่างกระดูกอัตมาภาพเห็นแต่ร่างกระดูกผ่านไปนี่เพราะจิตค่องท่านชอบอยู่ที่ร่างกระดูกพอมาถึงบ้านท่า น, านก็ทาเลพระหลาม น, น, นอกจากทำคำสอนของพอระพุทธมัสการาไม่มีอันใดจะมาฝนกิจเลยมีธานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตรพุทธธรรมสง มีทานสีลมีภาวนาตอนนั้นจะสนจิตได้จะทำจิตให้สะอาดได้ ส, ส่วนสกุลละกายนอกจากน้ำแล้วก็ไม่มีอันในพอจะบรรเทาความสกปรกได้น้ำท่านอาบมันสาหรับจิตนอกจากธรรมะของพระธรมศาสศตราไม่มีอันในจะมาขัดมาเกลามันได้จิตตัง้งทันตังสุขขาวหง จิตที่ฝึกฝนแล้วนำสุขมาให้ก็นำสุขมาให้จิตนั่นเองจิตตัฏฐะตัมโทสาธุฝึกฝนจิตนั่นแหละเป็นดีอาเวหิจิตานี้วมมุตจริงสุติจิตก็ลดพ้นจากอาสวะความโลภโกรธหลงไม่ถือมัน่นก็ใช้ผูุ้ธุท้น จิจดีสักเพียงไหนก็ตามถ้าไม่เอาทานวัตศีลวัตภาวนาวัตของพรบรมศาสดากําจัดมันก็ไม่คมมันก็ไม่แหลมมันก็ไม่สะาเล็กก็เหมือนกันจะดีสักเพียงไรก็ตามถ้าไม่รับคมถ้าไม่รับหินมันก็ไม่คมเหมือนกันนั่ มนุษย์ได้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วมันก็ย่อมสนใจในธรรมะไม่ได้บังคับยากเรื่องสายในพระพุทธศาสนาเลยไม่ได้ถือข้อถือไม้ไม่ได้ตีไม่ได้เขีย่ยวไม่ต้องมีเครื่องจัางรางวัลเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธศาสนานายพรานศาสนา ที่เอาอามิตรหลอกจริงจริงดีในพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาในพรานเบ็ดพรานแล้วต้องเอาอามิตรออกหลอกทีนี้เราไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาทีนี่ถ้าเป็นนกก็เป็นนกที่ฉลาดไม่ได้ไปติีเบ็ดติดแล้วของใครถ้าเป็นปลาก็เป็นปลาฉลาด ถ้าเป็นนกก็เป็นนกฉลาดไม่ประติดตาข่ายถ้าเป็นปลาก็เป็นปลาฉลาดไม่ไปติดเบ็ดติดแล้วของท่านคนใดเลือกใช้ได้เพื่อพระธรรมมาสองสิ่งเดียวได้โลภุตาธรรมแล้วเลือกสช้ได้เพื่พระธรรมมาสองสิ่งเดียวก็เป็นโลภุตาธรรมแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วไม่ถือศาสดาอื่นไม่ถือผีไม่ถือสางไม่ถืออะไรอะไรมาปนเปื้งนั wo well. ้น ป่วยมาเก็บมาก็เอาอยามารักษาหายก็หายไหายก็ยอมตายคาภาวนายอมตายคาศิลป์คาภาวนาเท่านั้นอันนั้นเรียกว่าถึงว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ถอนไมาออกแล้วแต่คนน้อยมากพระบารมียังอ่อนอยู่ก็บรรดานมากผีว่าสา ผ, ผีฟงผีฝ้าอะไรบ้างมาทําสารพัดแล้วก็เยายากัน ลำบ้าอะไรบ้าเสียงเทียนบ้าเสียงใครบ้างสารพัดเพราะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะบารมีเขายังอ่อนอยู่จปะปฏิเขาก็ไม่ได้ผู้ที่เรียนชั้นประถมหนึ่งทำไมเขาถึ ง, ถ, งถึงเรียนเนี่ยเพราะเขายังอสอบไม่ได้เขาเขาต้องเรียนอ น, นั่นก็เหมือนกันผู้ที่เรียนชั้นประถมสองสามสีม 2, ส่ม 3, ัธยมแล้ว จะให้เข้าไปเรียนประทบหนึ่งเขาก็ไม่ไปเรียนเขาไม่พอใจเมื่อเขาเรียนมาแล้วเมื่อเขาภาวนามาแล้วเมื่อเขารู้จักแล้วเขาเคเขียนได้แล้วอ่านออกแล้วเมื่อเทานั้นถึงว่ากรรมมุงเนินนาวั ต, ติโลภุสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของใครของมันกรรมดีกรรมชั่วไม่ใช่คนอื่นมาสร้างให้กุศลกรรมก็ไม่ใช่คนอื่นมาสร้างให้สัตว์ทั้งหลายสร้างเ อ, อ, อาเองนรกก็สัตว์ทั้งหลายสร้างเอาเองสวรรค์ก็สัตว์ทั้งหลายสร้างเอาเอง มรคนิพพานศาสตร์ทั้งหลายสร้างเองไม่ใช่เทวุเทวดาสร้างให้นรกก็ไม่ใช่พระญายมสร้างให้ศาสตรทั้งหลายสร้างเองแล้วก็ลงมาศาสตราเป็นเพียงแนะนําให้เท่านั้นวัดธรรมเป็นกฎที่ชําระกิเลส ไม่น้อยก็ต้องมากฝนตกพวามรดินไม่เหมือนเก่าต้องซุ่มผู้ปฏิบัติเสียนธรรมบ่อยๆประจำวันมกระจำคืนจิตใจเขาไม่ได้อยู่เหมือนเก่าเขาสูงขึ้นตะพื้นตะพื้นสูงขึ้นในทางที่ชอบถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครไปพระนิพพานได้ เลื่อมสายในพระพุทธศาสนาผู้ใดเลื่อมสายในพระพุทธศาสนาผู้นั้นมีปัญญาแก่ก้ามาแล้วสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วผู้ใดยังไม่เลื่อมสายในพระพุทธศาสนาผู้นั้นบารมียังอ่อนอยู่ยังไม่รู้จักอีเหนูอินี่อะไรผู้มีปัญญาย่อมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพย่อมบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมไม่บูชาในสิ่งที่ไม่ควรบูชา ย่อมไม่เคารพในสิ่งที่ไม่ควรเคารพย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีย่อมไม่ยินดีในสิ่งที่ควรไม่ยินดีย่อมยอมตายต่อสิ่งที่ควรยอมตายย่อมไม่ยอมตายในสิ่งที่ไม่ควรยอมตายผู้ที่มีปัญญาย่อมสนใจในสิ่งที่ควรสนใจย่อมไม่สนใจในสิ่งที่ควรไม่สนใจผู้มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญามันตรงกันครับ ย่อมรักในสิ่งที่ควรรักย่อมไม่รักในสิ่งที่ควรรักไม่ไม่ควรรักมีปัญหาสอนเข้ามาว่าท่านพูกพนไปแล้วท่านไม่รักไหมท่านไม่รังเกียจไหมรถของความรักและลดของความรังเกียจนั้นทำให้ท่านเป็นทุกข์ไหมไม่ไทาให้ท่านเป็นทุกข์เพราะท่านไม่มีกิเลยยกตัวอย่าง เช่นพระอรหันตนี่ท่านรักไหมท่านก็รักทุกธรรมดีอถ้าท่านก็รักดีทําชั่วรักบุญลังเกียจบาปไม่พอใจในบาปจะความลังเกียจของท่านไม่ได้ทําให้ท่านเป็นทุกข์เช่นเราลังเกียจไฟแล้ว เ, เป็นทุกข์ไหมแล้วไม่อยากไปจับมันเราวเป็นทุกข์หัวใจไหม เช่เราลองเกียรอุจจาระเราเป็นทุกข์หัวใจไหมเราว่าเป็นทุกข์แต่เราไม่พอใจที่จะไปจับมันเล่นมาดมแต่เราไม่รังเกียจมันนะไม่ถึงกับเป็นทุกข์ปัญยาไม่ถึงกับเอาขอดไปตีให้มัน เ, นเรียนใส่หน้าผากนะหนึ่งเมตรเท่า ตีใหมันวางท่านพูดว่าพระรหันั่ท่านไมัน ม, มีรักหรือังพระรหัสที่ยังไม่ตาย่ตายแล้วลไม่ไม่มีรักหรอยังท่านท่านไม่ชอบแม่บาปแต่ว่าชอบในบุญเพราะท่านแม่นาหากินในวางสวยหน้าเดียวถ้าท่านหากว่า หากินในทางวางเฉยท่านก็ไม่มีคำสอนบอกใครละเฉยใ ช, มออ ช, ย ช, D, ชย่มันดีช่างซีดีช่างพามก็ไม่ไม่มีคำสอนของท่านวิานดามดาความเหมือนกันพูดก็หมูก็พูดมา่าถ้าพมนาแต่เราคนเดียวแล้วก็เอาอันเดียวนิสัยของเราชอบลมหัางใจเขาออกเพราะเราถือว่าลมหางใจเขาออกมันมีอยู่ทุกอย่าง ความป่วยความเน่าเขามีอย <t baş demographics> ู 1975, aces, mistake, ่ทุกลมหายใจเขาออกอแล้วหายใจเขาออกมันก็เหม็นขี้จมูกเหมือนกันแล้วหายใจออกเราหายใจเข้าก็เป็นแบบนึงถ้าอย่างนั้นเราหายใจอย่างนี้อย่างนี้มันคือกลิ่นคูอกลิ่นเหม็นเหมือนกันมันก็ปฏิกูลเหมือนกันนแล้วพาวนาพุทโธพุทโธก็มีโทรกลมหายใจเขาออกสําหรับเราชอบ ลมหายใจเข้าออกอาณาปานสตินี้ท่านผู้ใดเฉลิมดีแล้วกายของพวกนั้นก็ไม่ค่อยวันไหวบางทีอยู่ที่สระจกตุ้นลงอย่างนี้ก็ไม่ทําอย่างนี้บางคนรู้อย่างนี้ก็หลังนี้นะลมหายใจเข้าออกไม่ค่อยตื่นเนาะ มันข้อตือง่ายง่ายถ้ายจานัจนเนธเดินจงกรมไปเดินกลับไปกลับมาพาตะคดเอวไหมทีนีมันรูดลงมันเป็นบวงลงเกี่ยวขาเข้าใจว่าเป็นวงเต้นเลยลวมเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าหกส น, นุ๊กหรอทีนี้ เวลาเรากำหนดลมให้เขาออกก็ดีในเวลาเราเดินไปก็ดีเราออกก็ิีวัดใหม่ไหม่เดินไปเราเพียงบริกรรมพุะโถนั่นแ่ะหรือบริกรรมเมตตาก็เหมือนกันเดินไปไปไปบหมูทีนี้หมูป่ามันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นห้นทางหนทางค่าแคนศอกนะพอเราเลี้ยวไปขา ขาขวาเรายกอยู่ยังไม่หยยบดินขาซ้ายยั่งอยู่ไปพบมันก็ ย, ยั่งเอยียงนั่นหละถ้ามีสติถ้าพบขาเก้าออกเดินไปบินถบาดฝนตกทำๆฝนตกทำๆในระหว่างเดือนห้าฝตกแล้ว ม, มันชอบออกหมูหมูป่าฝตกนี่หน่อย มันกระทำตาปื๊ดๆอยู่ใกล้ๆหนิแล้วก็ตอบเราทันทีเออมันหลงสติมันเดี๋ยวมันจะไปเราเพอาะคุณทางมานี่มันเขี้ยวมันคดรเขี้ยวมาหนี่แล้วก็ไม่เห็นหนอนมันกําม่เห็นม้าเราที่แรกพอไปเห็นพอเลี้ยวไปเห็นเลี้ยวไปเห็นมันผินหน้ามาหาเราแล้วก็ผินหน้าม้ามันยกขายกขาขวาอยู่ขาซ้ายหยับยืนอยู่ตู้จับ เพราภาวนาไปพอเราเลิกอย่างแน่นอนมันจะไปดอกปนะุ๊บมันจะไปเลยยื่องไปค่พอยๆลูกเขามันก็แตกออกสองสามตัวแต่ก่อนเราไม่เห็นลูกเขามันเห็นแต่ตัวเขามั น, น, นเวลาเรามีสติเป็นอย่างนั้นเดินจงกรมคกรมกันเวลาเดินจงกรมเราเคยภาวนาอะไรเราก็เดินภาวนานั้น่ะ เวลาเนอนก็เหมือนกันแล้ว เ, เคยภาวนาอะไรแล้วก็นอนหลับคาภาวนานัอหละเราหัดไว้เพราเวลาเราตายเราก็จะได้นอนตายไม่ค่อยจะได้นั่ตายเนอมีน้อยองค์ที่สุดน้างตายมีน้อยองค์ที่สุดยืนตายเดินตายเดินตายบางทีเดินไปงูกัดอย่างนี้ก็ล้มตายลงแล้วก็นอนตายอยีกเหมือนกันร <laughs> ้มลงมันก็ไม่ตายเลยทีเดียว ก็ต้องภาวนานอนก็ภาวนาได้ไม่เป็นปัญหาเลยทำไมถึงนอนภาวนาได้เวลาเรานอนเรานึกโกรธเขาก็ได้นึกจะไปฆ่าเขาก็ได้นึกถึงการมาวิโตกก็ได้นึกถึงพยาบาทวิตกก็ได้นึกถึงวิเหิงสาวิโต ก, กรมเนเวีย น, นก็ได้เห็นฉะล้าการนอนจึงทําดีได้สิ่งนั้นที่ทําชั่วได้สิ่งนั้นก็ต้องทําดีได้ยืนเดิน ทำชั่วอะไรทั้งนั้นยืนคอยยืนมองรักของเขามันก็ได้เหมือนกันแล้วก็ยืนภาวนามันก็ได้เหมือนกันนักในท่นั้ น, น, นยืนเนินนั่งนอนมันถึงได้อยู่ทุกอิริยาบถนอนว้ ก, ก็มานอนได้แล้ถ้าเราเราทำชั่วได้อิริยาบถใดอิริยาบถนั่นเราก็ทำดีได้เหมือนกันนักให้เข้าใจอย่างนั้นบางท่านอ่ะถ้ามาในนั่งคัดสมาธิก็ภาวนาไม่เป็นมันก็ไม่ถูกกันนั่น ถ้าไม่นอนตะแคงข้างขวาก string, ็าากาภาวนาไม่เป็นอันนั้นก็ไม่ถูกอ่ะจะไปเลือกการอยู่มันก็ไม่ทันกับเวลาเวลาเราตายมันมันไม่ได้บอกเขายัางไม่ได้นอนตะแคงข้างขวาจะให้เขาตายผมก็ไม่ได้บอกเขายังไม่ได้นั่งขับสมาธิจาให้เขาตายมันก็ไม่ได้บอ ก, ขออกเ ข, า, า, นกนกขานั่งอยู่ในรถในเรืออยาให้เขาตายมันก็ไม่ได้บอกนั่งอยู่ในรถในเรือภาวนาอะไรทั้งนั้นอืมยืนอยู่ก็ภาวนาในทั้งนั้นเดินก็ภาวนาในทั้งนั้น เดินไปฮักโคหักกับมือหรือไปป่าไปอะไ ร, ะ ไ, รได้แต่ทั้งนั้นดำนาอยู่ก็ได้เหมือนกันพวกทำนาพวกท่อหูกอยู่ก็ได้เหมือนกันฟัดฟรื้นพุทธโทรพุทธโทรก็ได้เหมือนกันนั่นพวกขับรถก็ได้เหมือนกันแล้วซ้ายแล้วขวาก็พ้องกับมือก็พ้องกับขาเขาหนึ่งบอกว่าผมขับรถ ลงงูดอนสิบสองปีผมไม่มีอันตรายใดๆเลยผมเอาสติไว้กับพวงมาลัยกับเท้าเอกด้วยวิธีกรรมพุทโธเขาไว้อย่างนั้นรถของผมไม่เป็นไรเลยเขาไว้อย่างนั้นและผมก็ไม่อวดในทางผื่นผายอุบายใดมันจะปลอดภัยก็อุบายนั่นแหละของเรา ผมไม่อดฟื้นถ้ายเขาจะแซงผมก็ปล่อยให้เขาแซงมันให้มาให้มันไปมันออกนอกประเทศมาได้หรอกมันก็ประโยชน์ในประเทศนี่แหละเราก็นึกอย่างนี้เราไม่นึกอยากแข่งเข า, าน้นนอนึกในทางพอนาพอขึ้นรถเราก็ถือว่าพุทโทธธมโมสังโฆ ค, คุณวิดาบรราปุย่าตาตวจมันรวมอยู่ที่นี่ถือว่าเราขึ้นอยู่ในอันตรายประวังนี้ได้ เรม่ไประมาณแต่ขึ้นรถขึ้นเรือนั่งอเฉยๆก็าตายคนหนึ่งก็ตําลังจะเอาเข้าวมาใส่ปากนีข้าวหายลงเลยไปเลยนะคนหนึ่งก็โซบหรจกินข้าวแล้วสูบหรีเอาบุบรีมาสูกมาโูบหรีแล้วค่ะลงเลย แต่ทา น, นการภาวนาจะไปะเลือกอยู่ไม่ได้การระลึกถึงคุณพระคุทธธรรมสองก็เลือกอยู่ไม่ได้อืจิตของมันให้มันอยู่เฉยเฉยมันไม่อยู่หรอกให้มันภาวนาใจะดีกว่ามันนอนไม่รับเลจิตนใครว่าจิตมันนอนมันไม่นอนหรอกมันยังฝันไปแต่เพื่อตเพอยู่ บางทีก็ฝันเห็นอะไระไล่วิ่งก็ไม่ออกตื่นขึ้นมาก็นอนกดจีนอนไม่หยัดกาะสร้างความดีมันไป่จะพึ่งของใจไม่จะพึ่งของตัวทรัพย์ใดในโลกาไม่เท่าพุทธคำสงฆ์ไม่เท่าทานหินปภาวนาอันนั้นเป็นโลกุตตรทรัพย์